ตอนนี้ฝนตกพูดธรรมะก็จะฟังไม่ค่อยได้ยินโดยธรรมเนียมเวลาฝนตกเราก็จะมานั่งฟังเสียงฝนตกกันแทนฟังเสียงธรรมวันนี้ฟังธรรมชาติเธอเรามานั่งสมาธิกันก่อนทำใจให้สงบแล้วก็จะมีความสุด ถ้าละใจไม่สงบนั่งแล้วเดี๋ยวก็หงดหยุ ด, ดอยากจะลุกออกไปลุกก็ไปไม่ได้เพราะฝนตกนั้นตอนนี้เรามาฝึกนั่งสมาธิกันเวลานั่งสมาธิก็ต้องมีอารมณ์ควบคุมใจมีสติควบคุมใจสติก็มีหลายแบบ การบริกรรมพุทโธพุทโธก็เป็นการควบคุมใจได้ถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายจะนั่งอยู่เฉยๆได้จะมีความสุขแต่ถ้าเราควบคุมความคิดไม่ได้ พอคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากก็อยากจะลุกอยากจะไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ไปไม่ได้ต้องนั่งอยู่ก็จะมีความหงุดหงดลำคาใจทุกข์ใจทรมานใจดังนั้นขอให้เรา ให้มีสติควบคุมใจไว้จะใช้พุทธโธก็บริกรรมพุทธโธไปจะใช้การสวดมนต์ก็สวดไปอิติปิโสอารหังสัมมาสวากาโตไปหรือจะนับหนึ่งสองสามไปก็นับไปหรือจะพิจารณาอาการสามสิบสองก็พิจารณาไป เอ็นพิจรณาดูผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็พิจารณาท่องไปก็ได้จะเพ่งดูอาการใดาอาการหนึ่งก็ได้เช่นเพ่งดู ก, กระดูกเช่นโครงกระดูกของเราหรือของผู้อื่นก็นึกถึงภาพของโครงกระดูกแล้วก็พยายามรักษาภาพนั้นไว้อยู่ในใจ ถ้าเรารักษาภาพไว้ได้ใจก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะมีความสงบมีความสบายไม่เดือดร้อนกับการนั่งอยู่เฉยๆนั้นก็ขอให้เราพยายามจะรอสติกันไปจนกว่าฝนจะหยุดจนกว่าจะเงียบถึงจะค่อยแสดงธรรมต่อไป ตอนนี้ฝนก็เริ่มเบาบางเริ่มจะสงบพอที่จะได้ยินเสียงธรรมก็ขอพูดธรรมะต่ออยสักเล็กน้อยก่อนที่จะหญาติโยมได้ถวายข้าวของและถามตอบปัญหาต่อไป การนั่งสมาธินี้ก็เป็นการสร้างความสุขให้กับใจและเป็นการปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เรามีความผูกพันที่เรายึดติดที่เราต้องทุกเวลาเราปล่อยวางได้เราจะไม่ทุกข์ เช่นขนาดที่เราอยู่ในสมาธิเราจะไม่สนใจรับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเวลาเขาเป็นอะไรขึ้นมาเราจะรู้สึกเฉยๆไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปมีความผูกพันกับเขา แต่เวลาเราออกจากสมาธิมาพอมารับรู้เรื่องราวต่างๆใจของเราก็เริ่มไปมีความผูกพันใหม่พอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราก็เกิดความวุ่นวายใจตามไปดังนั้นเราควรจะฝึกทำสมาธิกันอยู่บ่อยๆ ทำให้มากมากแล้วต่อไปเราจะปล่อยวางได้เวลาที่เราออกจากสมาธิมาการจะปล่อยวางในขณะที่ออกจากสมาธิมานี้เราต้องมีปัญญาเราต้องมีความรู้ความจริงคอยเตือนใจคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่า อย่าไปผูกพันอย่าไปผูกติดอยู่กับสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดามีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นราบยศสารเสริญหรือสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆมีมาแล้วก็ต้องมีไปถ้าเขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปนี่คือความจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้องค์เจ้าทรงใช้คำว่าอานิจจงแปบลบว่าไม่เที่ยง สิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวเป็นเหมือนของที่เรายืมมาของที่เรายืมมาไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องคืนเจ้าของไปหรือเป็นของที่เราเช่ามาเช่นบ้านหรือรถยนต์ถ้าเราไปเช่ารถยนต์มา พอเราไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเราก็ต้องคืนรถยนต์ไปบ้านถ้าเราไม่มีจ่ายค่าเช่าเราก็ต้องย้ายออกจากบ้านหรือเจ้าของบ้านเขาไม่อยากจะให้เราเช่าเขาก็บอกให้เราออกจากบ้านไปดังนั้นขอให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่า เป็นของชั่วกราวเป็นของเช่าเป็นของอยู่มาอย่าไปยึดอย่าไปติดเราต้องพร้อมที่จะจากเขาไปเพราะเราต้องจากเขาไปอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วแม้แต่ร่างกายของเรานี่ก็เป็นเหมือนของอยู่มาหรือของเช่ามา เรายืมมาจากใครเราเช่ามาจากใครเราก็ยืมมาจากพ่อจากแม่แล้วไม่นานต่อไปเราก็ต้องคืนแต่คนที่จะมารับแทนพ่อแม่เราก็คือสั ป, ปเหรเพราะเวลาเราตายไปแล้วพ่อแม่เราก็ไม่อยากจะเอาร่างกายเรากลับยิงไปพ่อแม่ก็จะมอบให้กับสั ป, ปเรให้เอาไปจัดการ เอาไปฝังหรือเอาไปเผานี่คืออนิจจังความจริงถ้าเราคอยเตือนใจคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราจะต้องเสียสิ่งต่างๆไปเราจะไม่เดือดร้อนเราจะรู้สึกเฉยๆไม่วุ่นวายใจไม่เสียอกเสียใจเหมือนกับตอนที่เรานั่งอยู่ในสมาธิตอนที่เรา นั่งอยู่ในสมาธิใจของเรามีความสงบมีความสุขตอนนั้นถ้าบ้านจะไม่ไปรถจะพังไปเราก็ไม่รู้สึกอะไร <Yeah. S 1> เพราะเราไม่ต้องใช้บ้านเราไม่ต้องใช้รถ <Yeah. S 1> เรามีที่พึ่งที่ดีกว่าบ้านดีกว่ารถที่พึ่งของเราก็คือความสงบนี่เอง <Okay. S 1> เราไม่ใช่ร่างกาย เราเป็นใจเราไม่ต้องมีบ้านอยู่ก็ได้เราไม่ต้องมีรถยนต์ขับก็ได้ถ้าเรามีความสงบเราจะมีที่พึ่งที่อาศัยที่ปกป้องรักษาใจของเราให้มีความสุขตลอดเวลานี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ค่อยมีกัน เรามัวแต่ไปสร้างที่พึ่งที่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงกันเพราะเราไม่รู้ที่พึ่งที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหนจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เรารู้จักที่พึ่งของเราที่แท้จริงว่าอยู่ที่ความสงบนี้เอง <Okay. S 2> การที่เราจะสงบได้เราก็ต้องมีเวลานั่งสมาธิมีเวลาจเจริญสติเพราะถ้าเราไม่มีสติเวลานั่งแล้วใจเราก็จะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พอคิดแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดอุปทานความผูกพันกลับคืนมาคิดถึงเพื่อนคิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ก็ อยากจะไปหาเขาคิดถึงขนมนมเนยก็อยากจะรับประทานคิดถึงเกมก็อยากจะเล่นคิดถึงทีวีก็อยากจะดูแต่ถ้าเราไม่คิดเราอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปใจเราคิดไม่ได้ใจเราก็จะลืมเรื่องราวต่างๆไป เราก็จะไม่มีความผูกพันกับเรื่องราวต่างๆไม่มีความอยากได้เรื่องราวต่างๆเราอยู่เฉยๆได้อยู่ยังมีความสุขได้การที่จะทําสมาธิเราต้องมีเวลาอยู่คนเดียวเพราะถ้าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราก็ต้องใช้ความคิดพูดคุยกับคนนั้นคนนี้ หรือทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ใจของเราก็จะไม่สงบจะไม่มีที่พึ่งจะมีแต่ความหิวมีแต่ความอยากก็ทําให้เราต้องไปพึ่งสิ่งที่ง่ายมีอะไรใกล้ตัวเราก็พึ่งทันทีมีเกมเราก็เล่นมีทีวีเราก็ดูมีขนมเราก็รับประทานมีเครื่องดื่มเราก็ดื่ม แต่เป็นที่พึ่งชั่วคราวเป็นที่พึ่งเดียวๆพอเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เ chau, บื่อก็<บอ> well, ต้องหาอย่างอื่นมาเล่นใหม่ดื่มแล้วเบื่อก็ต้องหาเครื่องดื่มอย่างอื่นมาดื่มรับประทานแล้วเบื่อก็ต้องหาอย่างอื่นมารับประทานเราก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆเราก็ Edin ต้องเหนื่อยกับการหาหามาแล้วก็ใช้ไปก็หมดไป หมแล้วก็ต้องหาใหม่เราก็เลยไม่มีความสุขพอามัวอยู่กับการหาหามาแล้วก็ใช้ไปใช้ไปแล้วก็อยากได้ใหม่ก็ต้องไปหาใหม่แต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบได้เราก็ต้องไม่ต้องไปหาอะไรนั่งอยู่เฉยๆนี่เหมือนกับได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ได้รับประทานแล้วได้เล่นแล้วได้ดูได้ฟังแล้วมีความสุขแล้วมีความพอแล้วนี่แหละคือความพอที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆต่อให้เราได้สิ่งต่างๆมามากน้อยเพียงไรก็ตามเราก็ยังจะไม่พอไม่พอก็ต้องหาหาก็ต้องเหนื่อยต้องทุกข์ยากลาบาก หามาได้ก็ต้องดูแลรักษาเวลาเสียไปหายไปก็เสียอกเสียใจดัง น, นั้นเราอย่าไปหาสิ่งต่างๆมาเป็นที่พึ่งมาให้ความสุขกับเราขอให้เราหันเข้ามาหาความสงบเป็นที่พึ่งเป็นสิ่งที่ให้ความสงบกับเราเพราะเราสามารถที่จะสร้างความสงบได้ตลอดเวลา ถ้าเรารู้จักวิธีสร้างแล้วเราสามารถสร้างได้ตลอดเวลาสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาสามารถอยู่เฉยๆได้ไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆได้ไม่ว่าลาบยศสรรเสริญสุขจะเจริญหรือจะเสื่อมเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญสุขอีกต่อไปเรามีความสงบเป็นที่พึ่ง ที่จะอยู่กับเราไปตลอดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความสงบก็ยังอยู่กับเราต่อไปความสงบนี่แหละที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่ต้องมาหาร่างกายใหม่มาเป็นเครื่องมือให้เราหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้เราหาราบยศสารเสริญสุขในโลกนี้เพราะ เรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ไม่ต้องหาความสุขที่ไม่สูญหายไม่หมดไปถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆเราก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆร่างกายตายไปก็ต้องหาร่างกายอันใหม่มาก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างที่เป็นอยู่กับพวกเรามานานแล้วพวกเราเปลี่ยนร่างกายกันมาไม่รู้กี่ ลานครั้งแล้วได้ร่างกายอันใหม่มาเดี๋ยวก็แก่เจ็บแล้วก็ตายไปพอตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่อย่างนี้ไปได้เรื่อยจนกว่าเราจะได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้พบกับพออาาระอรหันตสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าที่ได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงแล้วเราก็จะมาสอนพวกเราให้สร้างความสุขที่แท้จริงนี้กันพอเราสร้างได้แล้วเราก็จะไม่ต้องอาศัยร่างกายต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อน เวลาร่างกายจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเราจะรู้สึกเฉยๆการอยู่การตายของใจที่มีความสงบนี้เท่ากันอยู่ก็ได้ตายก็ได้ไม่เดือดร้อนเหมือนกับคนที่ไม่ต้องมีรถยนต์มีรถยนต์หรือไม่มีรถยนต์ก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่ต้องใช้รถยนต์ต้องพึ่งรถยนต์ไปไหนมาไหน เวลาไม่มีรถยนต์ก็จะเดือดร้อนนี่แหละ ร, ร่างกายเรานี่ก็เป็นเหมือนรถยนต์เหตุที่เรายังต้องมีร่างกายเพราะเรายังต้องการใช้ร่างกายหาความสุขหาที่พึ่งที่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงหามาได้เท่าไหร่ก็ต้องหมดไปหมดไปก็ต้องหามาใหม่เพราะเราไม่รู้จากที่พึ่งที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหน จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอย่างพบในชาตินี้พวกเราถือว่าโชคดีเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนานๆจะได้พบกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งนานๆที่จะได้ยินได้ฟังวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงสักครั้งหนึ่งสร้างที่พึ่งที่แท้จริงสักครั้งหนึ่งเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราไม่ควรที่จะ ให้หลุดมือไปควรที่จะเอามาปฏิบัติกันมาสร้างสติกันมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธกันแล้วมานั่งหลับตากันอย่างที่เมื่อกี้เราได้ทํากันพอนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปใจก็เย็นสบายพอเราออกจากสมาธิมาเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจ สอนว่าอย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นที่พึ่งอย่าไปอยากให้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เราต้องคอยหาอยู่เรื่อยให้เราหยุดหาความสุขภายนอกแล้วใหเราอยู่กับความสุขภายในที่เราได้รับจากการสร้างสมาธิขึ้นมา ถ้าใจไม่สงบก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่ทําใจให้สงบพอใจสงบก็จะเย็นจะสบายจะไม่หิวไม่อยากเวลาอยากก็ใช้ปัญญาหยุดความอยากถ้าหยุดด้วยปัญญาได้ก็ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิพอไม่มีความอยากวาความสงบความสุขก็กลับคืนมาใหม่ ถ้าควบคุมความอยากไม่ได้ความอยากนี้ก็จะไปทำลายความสงบเพราะเราจะต้องใช้ความคิดเราต้องไปหาสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราต้องไปเสพสิ่งที่เราอยากได้เช่นเราอยากจะไปดูละครเราก็ต้องใช้ความคิดสั่งร่างกายให้ไปเปิดทีวีเปิดทีวีแล้วก็นั่งดูละครแล้วก็คิดไปตามละครที่เขาแสดงมา ดีใจไปเสียใจไปหัวเราะไปร้ อ, ไองไห้ไปกับละครพอละครจบเราก็เกิดความเหงาขึ้นมาก็ต้องอยากดูอีกหรืออยากทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราปล่อยให้ทำตามความอยากมันก็จะมีความอยากมาต่ออยู่เรื่อยๆถ้าเราใช้ปัญญาว่าอย่าทําแบบนี้อย่าทาตามความอยาก ให้อยู่เฉยๆดีกว่าอยากไปดูอยากดูก็อยากไปดูอยากฟังก็อยากไปฟังอยากดื่มก็อยากไปดื่มอยากรับประทานก็อยากไปรับประทานยกเว้นว่าถึงเวลาต้องดื่มถึงเวลาต้องรับประทานก็ค่อยดื่มค่อยรับประทานแต่ย่าดื่มอย่ารับประทานด้วยความอยากดื่มหรือรับประทานด้วยความจําเป็นเหมือนกับเวลาที่เราดื่มยาหรือรับประทานยา เราดื่มรับประทานยาตามเวลาตามหมอสั่งเรารับประทานอาหารดื่มน้ำเพื่อร่างกายเราก็ดื่มตามความต้องการของร่างกายดื่มเป็นเวลาเช่นวันละมือ้อหรือสองมื้อก็พอ <c oughs> พอเราได้รับประทานสองมือ้อสองมื้อแล้วก็หยุดรับประทานได้ถ้าเกิดความอยากก็อย่าไปรับประทานเพราะมันไม่ได้เป็นประโยชน์ มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันจะเป็นความทุกข์เพราะเราจะต้องอยากรับประทานอยู่เรื่อยๆเวลาเราไม่ได้รับประทานเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ทําตามความอยากพอเราไม่ทําตามความอยากความอยากก็จะหายไปความอยากหายไปความสงบความเย็นสบายใจก็จะกลับคืนมา เช่นเดียวกับทุกเรื่องทุกราวทุกสิ่งทุกอย่างเราอยาไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นเราอยากไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะร่างกายนี้เขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยากอย่างไรก็ห้ามเขาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือของคนอื่นก็เหมือนกันร่างกายของคนที่เรารักเช่นพ่อแม่สามีภรรยาบุตริดา เราก็ห้ามเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ถ้าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจของเราก็จะวุ่นวายขึ้นมาทันทีถ้าเราทำใจเฉยๆยอมรับความจริงว่าเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราอยากไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเรื่องของมัน เราก็ทำได้เพียงแต่ดูแลรักษาประครับประคองมันไปวันวั น, วนหนึ่งเท่านั้นถึงเวลาก็ให้อาหารถึงเวลาก็ให้น้ำถึงเวลาหายใจก็หายใจไปถึงเวลาพักผ่อนหลับนอนก็พักผ่อนหลับนอนไปเราก็ทำได้เท่านี้แต่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับว่าสักวันหนึ่งเขาต้องแก่ลงไปเรื่อยๆเขาต้องเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วเขาก็ต้องตายไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายเวลาร่างกายแก่เจ็บตายเราจะไม่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นร่างกายของพ่อของแม่ของภรรยาของสามีของบุตรของธิดาหรือของเราเองเราจะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับตอนที่เรานั่งอยู่ในสมาธิ นี่แหละคือที่พึ่งของเราที่แท้จริงจะทำให้เราไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาพยายามฝึกสมาธิไปนั่งสมาธิให้มากเวลาออกจากสมาธิก็ใช้ปัญญาสอนใจหรือไม่เช่นนั้นก็ใช้สติควบคุมใจอย่าปล่อยให้คิดอย่าปล่อยให้เกิดความอยากขึ้นมา จะออกจากสมาธิมาถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ให้ท่องพุโทโธพุทโธต่อไปอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้แล้วความอยากจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เมื่อไม่เกิดความอยากความสงบก็ยังจะอยู่กับเราต่อไปความสุขก็จะอยู่กับเราต่อไปถ้าเกิดความอยากแล้วหยุดความอยากไม่ได้ก็กลับมานั่งสมาธิกันใหม่มาพุทโธนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธใหม่ เดี๋ยวความอยากก็จะหายไปแล้วความสุขความสบายใจก็จะกลับคืนมาใหม่ให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆสมาธิจะมีความสงบมากขึ้นไปปัญญาจะรวดเร็วทันใจพอเกิดความอยากปัญญาก็จะมาห้ามความอยากได้ทันทีแล้วต่อไปเราจะไม่มีความอยากไม่มีความหิวไม่มีความต้องการอะไร เราจะมีแต่ความอิ่มความพอตลอดเวลาเราจะไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นราบยศสเสริญไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามและรวมถึงร่างกายของเราด้วยเราจะไม่เดือดร้อนไม่มีร่างกายเราก็ยังมีความสุขเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจความสุขอยู่ที่ใจนี่แหละคือที่พึ่งที่แท้จริงของเรา เกิดจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ผลอย่างที่ได้แสดงไว้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาทำความสงบเป็นที่พึ่งของเราเพื่อเราจะได้ละเพื่อเราจะได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องเสื่อมที่จะต้องหมดไป อย่าไปหวังพึ่งสิ่งอันใดในโลกนี้ขอให้พึ่งในความสงบเพียงอย่างเดียวแล้วเราจะปลอดภัยเราจะไม่มีทุกมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราใจของเราจะมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พอ่อนยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสกากรลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุ ป, ปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุสับเทปุเรนตุสังกะปา จันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพติโยวิวาจันตุสัพพโรโขวินัสตุบาเตภวทวันตระโยสุขีธีขายุโกคะวะอภิวาทานาสีลทธานิจังวุฒาปจายโน จตารโธมาวทานติอายุวโนสุขังพาลางข้างนอกถ้าอยากจะนั่งมีผ้ายางช่วยพายางออกไปใข้างนอกข้างนยางถ้าเสือเออเอาพ้ายางห้องล่างกเดี๋ายว เ, เสื่อมันเปียก เออเพื่อส่งไปก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมีถามปัญหาธรรมะ ก, กันนั่งได้จะดีกว่ายืนเพราะปกติเวลาคนยืนนี่พานั่งพูดไม่ได้แสดง หนูอยากจะถามปัญหาถามได้เลยเปิดไมค์แล้วก็ถามค่ะกับเรียนพระอาจารย์ค่ะคือว่าอา่ถ้าเกิดว่าเราไปเห็นความคิดของจิตว่าจิตเนี่ยเกิดความคิดขึ้นมาแล้วเห็นแล้วจะเห็นว่าเฮ้ยมันวิ่งไปนี่วิ่งไปนี่วิ่งไปนี่แล้ว เอเราเราจะใช้เราจะดับมันได้ยังไงอะคะก็ต้องใช้พุทโธไงแล้วอย่าไปตามมันให้เรากลับมาอยู่ที่พุทโธพุทโธแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดเองเขาจะสามารถดับดับได้เองถ้าเราถ้าเรามีพุทโธอยู่เรื่อยๆต่อไปกําลังของพุทโธมันจะหยุดทุกอย่างได้หมดะค่เพียงแต่จะพุทโธปั๊บมันก็หยุดแล้ว ้าพุทโธมีกำลังมากแค่เห็นอ๋อต้องก็คือต้องมีกำลังสมาธิด้วยกำลังสติมีสมาธิพ อ, อรู้ว่าจิตแยกคิดเปล่าเขาก็สั่งให้มันหยุดคิดได้ะจะหยุดคิดได้ก็ต้องมีพุทโธคือต้องสงบต้องฝึกพุทโธไปเรื่อยๆจนจิตมันเนิ่งสงบแลาทเนี้สงบแล้วทีนี้เวลามันจะคิดเราก็บอกให้มันสงบได้ มีคำถามคำเดียวเลย ต, ตอนนี้คิดไม่ออกอไม่เป็นไร <c oughs> เอาวางไว้เฉยๆตั้งไว้ตรงนี้ได้ตั้ตรงข้างล่างก็ได้ใครในที่นี้อยากจะถามอะไรัหมชอบถามตอนที่ปิดไ่ตอนเปิด ไ, ไม่ยอมถามม พอปิดไม่ปั๊บมากันเลยถามนูน่นถามนี่กันใหญ่อกระยแล้วคะ่ะาขาประจามาแล้วอ้าเดี๋ยวช่วยส่งไม้ให้หมอหน่อยคือว่าเวลาที่เราก่อนจะนอนหรือว่าปกติเราจะนั่งสมาธิทีนี้ตอนที่ก่อนบางครั้งก่อนที่เราจะหลับหรือกำลังจะตื่นเนี่ยเราจะเห็นสองคน มีสองคนซ้อนกันอยู่ในล่างเนี้ยที่พระอาจารย์บอกว่าให้ระลึกไว้บ่อยๆให้ระลึกอะไรครับพระอาจารย์แล้วระลึกยังไงรละลึกก็คือถ้าเราใช้พุโทโธเราก็ระลึกพุโทโธบ่อยๆไปถ้าละถ้าปัญญาเราก็ระลึกบ่อยๆไปว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นนายกายเป็นบ่าวกายไม่ใช่ตัวเรา ใจเป็นตัวเราร่างกายตายไปใจไม่ตายไปกับมันอนะไอ้สิ่งที่เราเห็นไม่สำคัญไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่เราเห็นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นมายาหรือเป็นความจริงเราก็ไม่รู้ขอให้เราอยู่กับความจริงดีกว่าความจริงก็คือใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจไม่ตายกายต้องตายคิดแค่นี้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ <c oughs> ก็อย่าไปยึดติดกับร่างกายปล่อยให้ร่างกายมันตายไปเท่านี้ก็พออย่างนี้ดับความทุกข์ได้ใจจะไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายเป็นอะไรก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นเราเหมอกับคนไข้หมอทุกข์กับคนไข้ไหมรักษาคนไข้ไปรักคนไข้าตายไปหมอเดือดร้อนไหม เห็นเดือดร้นอนตายก็ตายไปสิกรรมของมันไงใช่เหมร่างกายก็เหมือนกันร่างกายก็เหมือนคนไข้ใจก็เป็นเหมือนหมออใจก็ดูแลรักษาร่างกายไปตามกําลังพอมันรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยนี่คือปัญญาอย่างที่เทศสอนเมื่อกี้เนี้ว่า ให้เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราที่แท้จริงเป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องหมดไปเหมือนกับกระดาษชำระที่เราใช้ในห้องน้ำํำใช้ไปได้เรื่อย เ, เดี๋ยวมันก็หมดม้วนหมดหม้วนก็ต้องเปลี่ยนม้วนใหม่ใช้ไปก็ทิ้งไปร่างกายนี้ก็เหมือนกระดาษชำระใช้มันไปเดี๋ยวมันก็หมดหมดก็ทิ้งไป แล้วก็เปลี่ยนม้วนใหม่มาเกิดไปเนยยไม่รู้เปลี่ยนเปลี่ยนมาไม่รู้กี่ม้วนแล้วเนี่ยเนี่ยเราเราลืมกันเราจําไม่ได้กันพอมาเกิดปั๊บก็หลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราพอเป็นตัวเราของเราก็อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆไม่อยากให้มันเสือ่อมไม่อยากให้มันป่วยไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้มันตาย แต่มันก็ห้ามมันไม่ได้เหมือนกระดาษชําระคุณอยากจะให้มันไม่หมดไหมใช้ไปเรื่อยๆคณก็รู้เดี๋ยวมันหมดคุณถึงเตรียมกระดาษชําระไว้เป็นโหล <c oughs> ใช่ไหมอ่ <c oughs> นี่สิ่งที่เราต้องเตรียมไม่ใช่กระดาษชําระไม่ใช่เตรียมร่างกายอันใหม่ให้เราเตรียมความสงบไ <c oughs> ว้เพราะความสงบเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงเป็นร่างกายของเราอย่างแท้จริงคือใจเนี่ยเป็นร่างกายของเราอย่างแท้จริง ถ้าใจมีความสงบแล้วใจก็ไม่ต้องไปพึ่งร่างกายที่ต้องพึ่งร่างกายเพราะใจไม่สงบใจไม่สงบก็หิวอยากอยากก็ไม่รู้จะหาอะไรมาแก้ความหิวความอยากก็เลยต้องใช้ร่างกายเป็นวิธีแก้ได้ร่างกายมาแล้วก็จะได้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายได้คนนั่นคนนี้มาเป็นเพื่อนมาเป็นแฟน แต่ก็ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปได้มามากน้อยเพียงไรก็ต้องเสียไปหมดไปแต่ถ้าได้ความสงบแล้วไม่จะไม่มีวันหมดจะไม่มีวันเสียและจะไม่ต้องการหาอะไรมาเป็นที่พึ่งของเราอีกต่อไปฉนั้นขอให้เรามาสร้างความสงบกันให้มากๆที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เราเข้าสู่ความสงบเพราะความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่ง นัตสันติพลังสุขขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะเป็นความสุขแท้เป็นความสุขที่ถาวร อ, อย่างนั้นการที่เราจะเข้าสู่ความสุขนี้ได้เราต้องปล่อยวางความสุขภายนอกปล่อยวางความสุขทางร่างกายอย่าไปหวังเพื่อความสุขแบบนี้อย่าไปหามัน อย่างที่ญาติโยมมาอยู่วัดมาถือศีลแปดนี่ก็เป็นการกระทาการปล่อยวางการหาความสุขทางร่างกายไม่ดูไม่ฟังไม่เดือดรับประทานตามความอยากแล้วก็มาทำใจให้สงบไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบอย่างเมื่อกี้เรามานั่งสมาธิกัน ถ้าเรามีสติเราก็จะนั่งได้อย่างสบายเย็นมีความสุขเพียงแต่กาหนดใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้อยู่กับอาการสามสิบสองหรืออาการใดอาการหนึ่งในการสามสิบสองก็ได้ขอให้ใจมีงานทาเพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆพอพอใจไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ใจก็จะว่างเย็นสบายแล้วก็สงบขอให้ทำไปเรื่อยๆต่อไปเราจะชนานาญเราจะเก่งแล้วเราไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับเราเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับสิ่งที่เราหามาเพราะว่าได้มาเราก็ต้องหวงต้องห่วงต้องดูแลรักษาแล้วก็ต้องมาเสียใจเวลาที่เขาจากเราไปมีคำถามทาง อินเทอร์เน็ตมาหรือยังเชิญครับต่อไปเป็นคําถามจากทาง facebook พระอาจารย์สุชาติภพชาโตและทางกลุ่มธรรมะบนเขานะครับคําถามข้อแรกนะครับจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามฝากถามมาทางอินเทอร์เน็ตนะครับการที่เราเคารพรักศรัทธาครูบาอาจารย์แล้วนําคําสอนมาปฏิบัติมาพัฒนา ใจให้ดีขึ้นแม้ว่าจะอยากมาเจอท่านบ่อยๆหรือเรียกได้ว่าติดครูบาอาจารย์ถือว่าทำถูกแล้วใช่ไหมแล้วแบบไหนถึงจะเรียกว่าติดครูบาอาจารย์แบบหลงทางหรือผิดทางพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าถ้าเธอเกาะชายผ้าเหลืองเราอยู่ใกล้เราเกาะชายผ้าเหลืองเราแต่ถ้าเธอไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามคาสอนของเรา เธอก็อยู่ห่างไกลกับเราเป็นโยชนในทางตนกันข้ามแม้เธอจะอยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยชดแต่เธอนำเอาคาสอนของเราไปปฏิบัติเธอก็อยู่ใกล้เรานี่คือการที่อยู่ใกล้การติดครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องต้องติดด้วยการปฏิบัติตามคาสอนของท่านไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลถ้าเราปฏิบัติตามคาสอนของท่านเราจะอยู่ใกล้ท่านตลอดเวลา ถ้าเราอยู่ใกล้ท่านแต่เราไม่ปฏิบัติเราัวแต่คอยเกาะชายจีวรัมแต่คอยนั่งดูหน้าท่านฟังเสียงท่าน เ, าเวลาไม่ได้เห็นหน้าท่านเห็นเสียงท่านก็หงุดหงิดลำคาญใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นการติดครูบาอาจารย์แบบไม่ถูกทางติดแบบที่เลนติดแบบถูกทางต้องติดที่คำสอนต้องระลึกถึงพระธรรมคาสอนอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ที่ใดไม่ว่าเวลาใด ถ้าเราเล่กถึงคําสอนเราก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นพระธรรมคําสอนเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนี่ยผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมการที่จะเห็นธรรมได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมแล้วก็จะปรากฏธรรมขึ้นมาภายในใจนี่คือวิธีติดครูบาจารย์ติดอ่า เปิดครูบาจารย์ที่ถูกหลักที่ไม่เสียหายที่เป็นประโยชน์แม้นั่งกายของพระพุทธเจ้าตายจากเราไปเราก็ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเพราะพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ก่อนจะจากเราไปว่าคําสอนของเรานี่แหละที่ตัดไว้ดีแล้วตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปเพราะฉะนั้นพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดา เพราะว่าสรีละร่างกายของศาสดานี้ไม่ใช่เป็นศาสดาเป็นเพียงตัวแทนเป็นเพียงเครื่องมือเหมือนกับเป็นไมโครโฟนนี่เท่านั้นเองไม่มีไมโครโฟนก็ยังคุยกันได้เพียงแต่เสียงมันไม่ดังให้ฉันใดไม่มีร่างกายนี้ถ้ามีพระธรรมคําคสอนก็เหมือนมีพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ใจเราอยู่กับใจเรากูบาอาจารย์แต่ละรูปที่เราเคารพนับถือท่านจะอยู่ใกล้อยู่ไกล ท่านจะเป็นหรือ จ, จะตายถ้าเรามีคําสอนของท่านเราก็อยู่ใกล้ท่านนนะงั้ขอให้เราติดที่คําสอนอย่าไปติดที่สรีระเพราะสรีระนี่เป็นของไม่เที่ยงแล้วก็สรีระนี้ไม่เป็นประโยชน์เห็นหน้าท่านแล้วเป็นไงก็ดีใจเดี๋ยวเดียวพอไม่ได้เห็นหน้าท่านก็ความดีใจก็หายไปได้ยินเสียงท่านก็ดีใจแต่แต่ไม่สนใจว่าท่านพูดอะไร เองแต่ได้ยินเสียงกีการ์กีการเหมือนเวลาไปดูฟังคอนเสิร์ตไม่รู้เขาร้องอะไรพอเขาได้ยินเสียงคขาหน่อยก็ร้องกีการกันขึ้นมาดีใจกันเวลาฟังต้องตั้งใจฟังฟังเพื่อให้เข้าใจแล้วเราจะได้จําได้ถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะไม่เดืมเวลาฟังธรรมนี่ท่านสอนว่าอย่าฟังเพื่อจําฟังเพื่อความเข้าใจ วิธีจะเข้าใจก็ต้องตั้งใจฟังเวลาท่านแสดงเหตุแสดงผลแล้วก็พิจารณาตามพอเราเข้าใจแล้วมันก็จะอยู่ในใจเราไปตลอดไม่ต้องจดจำไม่ต้องเอากระดาษมาเขียนเขียนแล้วเดี๋ยวมันก็ลืมถ้าไม่ดูในกระดาษมันก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรบางทีดูก็ไม่เข้าใจเีแล้วว่าเขียนนั้นมีความหมายว่ายอย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมขอให้ตั้งใจฟังเพื่อให้เราเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วเราจะมีธรรมอยู่ในใจเราจะมีครูบาอาจารย์อยู่กับเราไปตลอดข้อต่อไปจากท่านเดิมนะครับวิธีดูครูบาอาจารย์ว่าของแท้หรือของปลอมดูและมีวิธีตรวจสอบอย่างไรว่าคำสอนของท่านจะพาเราหลงทางหรือพาพ้นทุกข์ได้จริง ก็ต้องไปมีดูมาตรฐานของอาจารย์เช่นไปดูพระพุทธเจ้าก่อนดูพระอาหารหันตาสาวก่อนไปศึกษาพระพุทธประวัติศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอาหารหันตาสาวกแล้วศึกษาคำสอนของท่านแล้วเราเอาเอาประวัติของท่านเอาคำสอนของท่านมาเปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์ที่เราสงสัยว่า เป็นของแท้หรือของเทียมะเราก็พอที่จะวัดได้เหมือนกับเวลาที่เราจะซื้อของอะไรสักอย่างหนึง่งบางทีเราต้องไปเอาของตัวอย่างมาเราไปเปรียบเทียบกับของที่เราซื้อว่าเหมือนกันหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนกันเราก็รู้ว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นของของแท้ของจริงเราก็อย่าซื้อ แต่ถ้าเราไปซื้อลอยที่เราไม่มีของของจริงไปเปรียบเทียบเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงดังนั้นเรามีของที่เราจะเปรียบเทียบได้เรามีประวัติของพระพุทธเจ้าเรามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดูว่าท่านอยู่อย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอยู่แบบรถนั่งรถเบนซ์กินหูปลาฉลามสั่งหรือ ว, ว่าท่านอยู่แบบมักน้อยสันโดษบินตาบาด ใช้ผ้าบางสุกุลไม่ว่าใช้ผ้าไหมใช้ผ้าแพ้ผ้าสั่งมาจากเมืองนอกเมืองนาเนี่ยของนี้วัดได้ดูได้เนี่ยดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง เ, าาเนี่ท่านเน่เป็นแบบฉบับเป็นของแท้ของจริงนแล้วดูวัดตูตรงนั้นคำถามข้อต่อไปจากคุณรัตพง์นะครับ เรียนถามท่านพระอจรราจารย์เมตตาอธิบายคำว่า together, วสีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการภาวนาต้องขออภัยด้วยอนี้ต้องไปถามอาจารย์กูเกิลง่ายกว่าและได้ความรู้ชัดเจนกว่าเพราะเราไม่ก่อได้ศึกษาเกี่ยวกับความภาษาบาลีเท่าไหร่คำถามต่อไปจากท่านเดียวกันนะครับมีคนฝากกลับเรียนถามว่า หากสัตว์จำพวกสุนัขแมวหรือสัตว์ใหญ่อื่นๆที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารเมื่อเขาตายจากโลกนี้เขาจะมีโอกาสปรับภพบภูมิใหม่ครั บ, รบเพราะขนาดที่เขาเป็นสัตว์อยู่เขาก็ไม่ได้ทําบุญและไม่ได้ปฏิบัติภาวนา<ม>เช<ม>่นมนุษย์ทั้งยังทําบาป<ม>เช่นการกินสัตว์ด้วยกันเองขอคําวิสัชนาเพื่อสดับไว้เป็นประโยชน์แก่ปัญญาคือก่อนที่เขาจะมาเป็นสัตว์นี้<ม>เขาก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อน และตอนที่เป็นมนุษย์เขาก็เคยทําบุญมาก่อนแต่บาปเพียงแต่ว่าเขาทําบาปมากกว่าทําบุญเท่านั้นเองพอเวพอบาปมีกําลังมากกว่าบุญเวลาที่ตายไปบาปก็จะดึงเขาไปไปเกิดเป็นเดรัจฉานแล้วเขาก็ยังต้องกินกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่แต่บาปที่เขาทานี้อาจจะไม่มีผลมากคือไม่หนักแล้วพอ บุญของเขามีมีกำลังเมื่อบาปของเขาที่เกิดจากการไปใช้กรรมไปเกิดเป็นเดรัจฉานี่มันมันลดลงไปเหมือนกับเราไปใช้หนี้พอเมื่อก่อนนี้เรามีหนี้มากกว่ามีรายได้เราก็ติดลบแต่พอเราไปใช้หนี้ต่อไปหนี้มันน้อยกว่ารายได้น้อยกว่าเงินฝาก บาปน้อยกว่าบุญเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือพอบาปเท่ากับบุญพอถึงเวลาที่ตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าถ้าบุญกับบาปมันเท่ากันบาปก็ดึงไปอบายไม่ได้บุญก็ดึงไปสวรรค์ไม่ได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ดังนั้นทุกคนที่ไปใช้กรรมในอบายนี้ มีสิทธิ์ที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทุกคนเช่นพระเทวทัตในถึงแม้ได้กระทำอันตริยกรรมคือพยายามรอบรพงประชนพระพุทธเจ้าทำให้พระองค์ห่อเลือดนี่ก็ต้องไปตกนรกขุมใหญ่แต่ก่อนที่ท่านจะมาทำบาปนี้ท่านก็บวชเป็นพระท่านก็รักษาศีลบำเพ็ญกิจตภาวนาได้สมาธิได้ฤทธิ์อิทธิฤท ต, ต่างๆเพ ง, ตงแต่ว่าบาปที่ท่านทานี้มันแรงกว่าบุญ ที่ท่านได้สะสมไว้บาปนี้ก็เลยต้องดึงท่านไปไปในอบายไปในนรกก่อนพอบาปที่ท่านได้ทำไว้มันจางลงไปหายไปพอบาปกระบูญมันเท่ากันมัน ก, ก็จะดึงให้ท่านกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้าท่านบาเพ็ญต่อท่านจะออกบวชได้ท่านปฏิบัติสมาธิได้ต่อไปก็จะตัดสรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าทงทํานายว่าต่อไปก็จะกลับมาเกิดเป็นพระประเจกคพระพุทธเจ้าต่อไปดังนั้นบุญที่เราทําไว้มันไม่หมดมันไม่หายไปเพียงแต่ว่ามันถูกกําลังของบาปที่มันเหนือกว่าดึงให้จัดจิตไปเกิดในที่ต่ําก่อนพอบาปที่ดึงไปหมดแรงมันก็จะดึงเรากลับมาให้เกิดเป็นมนุษย์ แล้วพอเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราได้ได้โอกาสสร้างบุญสร้างกุศลมากขึ้นเราก็ไปเป็นพาาาระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปได้อย่างองค์โคลี่มานี่ฆ่าคนต้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนบาปหนักขนาดไหนแต่ยังไม่ตายบาปนี้ก็ยังไม่ได้มีผลที่จะดึงท่านไปอบายไปนรกพอได้พบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ลดละปล่อยวาเกิเลตันหาพอท่าน ตัดกิเลสทันหาได้หมดท่านก็ได้ทนิพพานได้บุญที่มีกำลังมากกว่าบาปที่ฆ่าคนถึง999ค น, น, นเวลาตายไปบาปก็ไม่สามารถดึงใจขององคุลิมาณให้ไปเกิดในอบายได้นี่คือเรื่องของบุญของบาปมันลึกรับซับซ้อนมันถึงท่านผู้เจ้าถึงบอกว่ามันเป็นเหมือนมันมั น, มนอจินไตมันเหนือความรู้สึกนึกคิดของเรา พวกเรานี่คิดไม่ได้หรอกต้องเป็นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์เท่านั้นถึงจะเข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของผลวิบากของกรรมนั้นขอให้เราเชื่อเพียงแต่โดยภาพรวมก็ร่างก่อนว่าทําบุญก็จะไปดีทําบาปก็จะไปไม่ดีทั้งบุญทั้งบาปนี้ถ้ายังไม่ได้เข้าสู่ขั้นโลกุตระเข้าสู่ขั้นพระอริยมรรคอริยะผลนี้ยังเสื่อมได้ แต่ถ้าเข้าสู่ขั้นอริยมากแล้วจะไม่เสื่อมพอเข้าสู่ขั้นพระโสดาบันแล้วนี่จะไม่เสื่อมจะมีแต่เจริญขึ้นไปเรื่อยๆจากโสดาบันก็จะขึ้นไปสู่ขั้นที่สองสกิราคามีจากขั้นที่สองก็จะขึ้นสู่ขั้นที่สามานาคามีจากอนาคามีก็จะขึ้นสู่ขั้นที่สคือขั้นพระอาหารหันต์ขั้นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นั้นบุญมีสองระดับบุญระดับที่เหนือโลกคือโ ล, โลกุตตระคือเป็นบุญที่ไม่เสื่อมบุญที่เสื่อมก็คือบุญระดับโลกิยะเช่นเราทำทานรักษาศีลนั่งสมาธินี่เป็นบุญที่เสื่อมได้แต่ถ้าเราจเจริญปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่อันนี้จะไม่เสื่อมเห็นปัญญานี้จะรักษาจิตไม่ให้ตกต่ำ จะไม่จะป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบายผู้ใดเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นธรรมเยผู้ใดเห็นธรรมก็คือพระโสดาบันเป็นผู้ผู้ผู้เห็นธรรมขั้นแรกเห็นธรรมขั้นแรกแล้วธรรมนี้จะปกป้องรักษาใจไม่ให้ไปเกิดในอบายต่อไปมีอีกไหมอีกสักข้อครับอาจารย์จักุณชุติมานะครั บ, รบการอุทิศบุญไปถึงเจ้ากรรมในเวรของลูก ของแม่ของสามีนีได้หรือไม่เจ้าคะถ้าเจ้ากรรมนายเวรเขารอรับบุญอยู่ก็ได้แต่ส่วนเขาจะเอาโหสิให้กับเราหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ส่วนใหญ่ถ้าเ็าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาคงจะไม่มาขอบุญจากเราเหมือนกับคนที่เขาโกรธเกลียดเราเขาคงจะไม่มาของเงินเราใช้เขามีแต่จะคอยมาทำร้ายเรามากกว่าเพราะฉะนั้น ความจริงคําว่าเจ้ากรรมนายเวรก็คือคนที่เราไปทําให้เขาโกรธเกลียดเราดัางนั้นถ้าเราไม่อยากจะมีกรรมเจ้ากรรมนายเวรเราก็อย่าไปทําให้คนโกรธเกลียดเราเวลาเขาทาเราเราก็อย่าไปตอบโต้ให้อภัยเขาไปคิดว่าเป็นการใช้หนี้เก่าไปแล้วจะได้ไม่มีเวรกันถ้าเขาทําเราเราไปทําเขาเขาก็จะมาโกรธเกลียดเราแล้วเขาก็จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเรา เราต่อให้เราอุทิศบุญอะไรให้เขาให้อะไรเขาเขาก็ไม่รับว่าเขาอยากจะตีเราเพียงอย่างเดียวงั้นถ้าเราปล่อยให้เขาตีได้เราพอเขาได้ตีแล้วเขาก็จะหายโกรธเกลียดเราไปดังนั้นเรื่องการอุทิศบุญเพื่อที่จะให้เจ้ากรรมนายเวรยกโทษเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้ทิ่งที่เราทำได้ก็คือสงเคราะห์ผู้ที่ตายไปแล้วแล้วไม่มีบุญ ต้องอาศัยบุญที่เราอุทิศเช่นเพื่อนเราคนที่เรารู้จักสมัยที่เขาอยู่ในโลกนี้เขาไม่สนใจกับการทำบุญพอเวลาตายไปเขาไม่มีบุญติดตัวไปเขาเลยต้องเป็นขอทานบุญต้องมาคอยรอรับส่วนบุญถ้าเขาทำบุญเขาก็ไปสบายไปใช้บุญของเขาไปเป็นเทวดาไปเที่ยวในโลกทิพย์ได้ ถ้าเขาไม่มีบุญเขาก็ต้องไปขอทานขอทานบุญก็คือเปรตนี่องไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเจ้ากรรมนายเวรการอุทิศบุญนี้อุทิศเท่กับเปรตเท่านั้นส่วนเจ้ากรรมนายเวรนี้ต้องใช้ขันติความอดทนเวลาเจอเขาแล้วเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าฆ่าฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วบางคนจะ อยากจะตายยังต้องไปซื้อยาพิษมากินเรานี่ไม่ต้องเสียเงินตายอย่างตายฟรีแล้วในที่สุดคนเราทุกคนก็ต้องตายแต่ตายแบบนี้จะหมดเวรหมดกรรมถ้าเขาได้ฆ่าเราแล้วเขาก็จะหมดเวรหมดกรรมกัเราไปแล้วก็จะไม่ตามมาชาติหน้าถ้าเราหนีเขาได้เดี๋ยวชาติหน้าเขาก็ตามมาต่อยังไม่หมด งั้นทางที่ดีที่สุดถ้าไม่อยากจะมีเจ้ากรรมนายเวรก็คืออย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมอย่าไปทําให้ผู้อื่นเขาโกรธเกลียดเรา อ, อีกไม้มหมดแล้วเหรอพระอาจารย์ครับการสแสดงทําไปประเทศสิงคโปร์เป็นไงบ้างครับพระอาจารย์อ๋อเป็นการทดลองก็ทดลองเครื่องก็ดีอยู่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีสะดุดไม่มีอะไระเขายังต้องปรับเครื่องของเขาอยู่เพราะเขาจะต้องมีเครื่องขยายเสียง ต้องมีจอขยายเพราะว่าจะมีคนมาฟังประมาณสามสี่สิบคนก็บอกที่นั่นก็จะเป็นวัดชื่อวัดป่าเลยๆรแล้วจะมียาดโยมมาไหว้พระสวดมนนั่งสมาธิกันแต่เขาไม่มีพระสอน<ม>ก็เลยมีคนแนะนำว่าลองใช้การติดต่อผ่านทางอินเทอร์เนต็ตดูก<ม>็ทดลองดูก็ใช้ได้เขาก็นัดว่าจะ จะฟังเทศฟังธรรมกันเดือนหน้าต้นเดือนหน้าสมัยนี้ก็สบายไม่ต้องเดินทาง<ม>เหมือนพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมกับพวกเทวดาก็จะส่งกระแสจิตไปตัวร่างกายพุทธเจ้าไม่ได้ขึ้นไปบนสวรรค์แต่ใจของพุทธเจ้าไปสวรรค์ใจพุทธเจ้าแต่ร่างกายนี้ไปไม่ได้อยู่คนอยู่คนละโลกกันอยู่คนลมิติกัน ใจนี่สามารถไปได้ทั้งไต่พบตอนนี้เราก็ไปทางทางกระแสะใจกันร่างกายอยู่ตรงนี้แต่เราสามารถติดต่อกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เห็นทั้งภาพได้ยินทั้งเสียงก็เหมือนกับไปอยู่ตรงข้างหน้ากันเลยก็คุยกันได้ถามเขามีปัญหาอะไรก็ถามได้ตอบได้นี่คือการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ทางธรรมะไม่ใช่เอามาใช้ด่ากันว่ากันผ่านจอ <laughs> มีอะไรเลยอาจารย์กเทพภาษาอังกฤษใชไหมคอก็เขาฟังภาษาอังกฤษเขาพูดภาษาไทยไม่ได้อาจารย์ขอเรียนถามอีกก้อนหนึ่งค่ะอย่างอัตตาปุริสปุขลลาะค่ะ ยังโสดาปฏิมรักเนี่ยถ้าได้คุณธรรมเห็นระดับโสดาปฏิมรักเนี่ยคุณธรรมยังเสื่อมไหมค ร, รัอาจารย์คือโสดาปฏิมรัคก็คือผู้กําลังเจริญก็จเจริญมรักษ์ใน ท, ที่นี้ก็คือปัญญาเช่นพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆพิจารณาทุกเวทนานั่งแล้วปล่อยให้มันเจ็บไม่ไม่ลุกแล้วพยายามพิจารณายากแยะว่า เวทนานี้ไม่ใช่เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาคือความอยากให้เวทนาหายไปพอเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากให้เวทนาหายไปแล้วลากความอยากได้ความทุกข์ก็หายไปผลก็จะเกิดขึ้นมาอันนี้มันจะไม่มีวันเสื่อมไปพอเราเริ่มจเจริญแล้วมันจะติดเป็นทิสัยไปเราพิจารณาร่างกายอยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็จะพิจารณาไปเรื่อยๆอย่างเรานี่พอเรามาเกิดอายุสิบกว่าเห็นซากศพแล้วก็พิจารณาต่อ เห็นมาร่างกายของคนทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายไปไม่ว่าจะเป็นใครมันพอเห็นปั๊บปันแทนที่มันจะตกใจกลัวมันกลับไม่กลัวมันกลับพิจารณาไปเพราะมันเคยพิจารณามาก่อนมันเคยเห็นซากศพมันเคยเห็นคนตายมันก็พิจารณาว่าร่างกายของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในที่สุดก็ต้องตายด้วยกันมันคิดอย่างนั้นแล้วมันก็พยายามสอนใจให้เตรียมตัวรบกับความตายของตัวเอง เตรียมตัวรับกับความตายของคนที่เรารักเพราะว่าคนที่เรารักนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราสะเทือนใจเวลาเขาจากเราไปถ้าเราไม่อยากจะสะเทือนใจเราก็ต้องเตรียมตัวสอนใจไว้พอใจรู้แล้วว่าจะต้องจากกันพอถึงเวลาจากกาันใจก็จะเฉยเฉยได้นี่คือระดับโสดาปฏิมครดับโสดาิมาคเนี่ยยังลงอบายภูมิได้ไหมคะ มันคิดว่าคงจะไม่ลงแล้วล่ะเพราะว่าจะไม่ได้ไปทําบาปเพิจารณาเพื่อปล่อยวางร่างกายเช่นสมมติว่าจะมีใครมาฆ่านี่แทนที่จะไปฆ่าเขาก็ปล่อยเอาขาฆ่าเลยนั้นพอเข้าสู่โสดาปติมากแล้วแสดงว่าพร้อมตายแล้วเียแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ไปเข้าห้องสอบเท่านั้นเองกําลังเตรียมตัวสอบอยู่พอเตรียมตัวสอบพอจะเจอข้อสอบปั๊บก็ทําได้เลย พอใครจะมาฆ่าก็ปล่อยเขาฆ่าได้เลยถ้ายังไม่อยู่ในโสดาปติมักยังยังคิดรักตัวกลัวตายอยู่พอใครจะมาฆ่าก็ฆ่าก็าก่อนอย่างนั้นไปได้แสดงว่ายังไม่ได้เข้าโสดาปติมักยังไม่ได้พิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราเริ่มพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเกิดแก่เจ็บตาย อยู่เรื่อยพอถึงเวลาจะต้องเสียร่างกายมันมันจะปล่อยเพราะมันรู้ว่าปล่อยดีกว่าไม่ปล่อยเวลาปล่อยมันเย็นสบายเวลาป้องกัน ร, รักษามันเครียดมันทุกข์มันจะรู้มันจะเห็นอยู่ภายในใจเห็นผู้ใดถ้าได้เข้าสู่การปฏิบัติขั้นสู่โสดาปฏิมาศแล้วก็เป็นผู้ที่เริ่มเข้าสู่กระแสแลวเพียงแต่ยังไม่ได้เข้าสู่ เต็มขั้นเท่านั้นเองกําลังเข้าสู่เดินเข้าสู่ประตูกําลังไปสอบแต่ยังพอสอบผ่านปั๊บก็ผ่านไปขั้นหนึ่งถ้ายังไม่ผ่านก็ไม่ไปทําอย่างอื่นก็พยายามทำข้อสอบทําการบ้านอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะผ่านจะไม่ทําอย่างอื่นละผู้ที่เข้าสู่โสดาปิมักนี่จะเจริญปัญญาอย่างเดียวสนับกับการนั่งสมาธิ เรื่องที่จะไปทํำบาปเรื่องไปทําอะไรนี้จะไม่ไม่สนใจแล้วมีอีกไหเออเอาไม้ก่อนเอาไม้ก่อนแล้วท่านยังเจ็บอยู่หรือเปล่าเจ้าคะร่างกายก็เหมือนกันร่างกายของปุถุชนร่างกายของ พ, พระอราหันต์ก็ยังเจ็บเหมือนกันแต่ใจไม่เจ็บใจไม่กลัวเช่นหมอบอกฉีดยาก็เฉยเฉย ถ้าผู้ทุชนนี่พอหมอบอกฉีดยาก็เจ็บขึ้นมาที่ใจก่อนนะต่างกันตรงนั้นใจไม่กลัวความเจ็บเอาแล้วเนะมีมีไหมมีเหร อ, ออ้าวคุนิยาถามเป็นเออที่ท่านพูดถึงพมาณดา ท, ที่ท่านขึ้นไปโปรดที่ดาวดึงทีนี้ถ้าบางรูปที่อยู่ชั้นสุทาวาสละคะท่านิดโปรดหรือว่าท่านต้อง พิจนาตัวเองอะค่ะที่ที่ฟังรูปที่อยู่สุทาวาส อ, อะคะอ่ะพรมอะค่ะอนนี้เราก็ไม่ไม่ไม่ทราบรายละเอียดทราบว่าบางชั้นนี้เขาจะไม่ไม่ไม่ไม่ติดต่อเขา<อ>กําล<อ>ังพเพลิดเพลินกับการดูหนังฟังเพลงอยู่เขาว่าต้องเลื่อนลงมาอีกชั้นนึงเลื่อนต้องออกมาจากโรงหนังก่อนถึงจะมาฟังเทศฟังธรรมได้มั้งอยู่ชั้นสุทาวาสก็ต้องเลื่อนลงมาสู่ดาวดึงใช่ไหม ถึงจะติดต่อกับผู้ทดสอบพระเจ้าได้ถ้าเปรียบเทียบคนได้อยู่สุดท้ายก็กําลังอยู่กําลังอยู่ในโรงละครกําลังดูหนังฟังเพลงอยู่ถ้าอยากจะฟังเทศก็ต้องออกจากโรงละครอ๋อรู้เข้าใจว่าแต่ท่านท่านอยู่อะไรต้องคือถ้าไม่มีแดนเกิดไงคะเข้าใจว่าท่านขึ้นไปโปรดได้ไะอะไรอย่างนี้ค่ะก็โปรดด้วยทางกระแสจิตไงติดต่อกันทางสายกระแสจิต<อ>แต่ต้องติดต่อในช่วงที่ไม่ได้ไปดูหนังดูละครเนะี่ย เราออกจากลงละครมาอยู่สุทาวาสมนันกำลังไปไปเสพลูกทิฟเสียงทิฟกลิ่นทิฟเยอะอ๋อลูกเข้าใจว่าตรงนั้นก็คือท่านต้องต้องออสมาธิอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจมั้ยลูกไม่เข้าใจเองไม่ต้องไปเข้าใจแนละ้วไ ม, ไม่ไม่สำคัญเรื่องอะไรไม่รู้ก็อย่าไปสนใจมันไม่ได้มาทำให้เราฉลาดขึ้นเนื้องโง่ลงไป ความสารสุดท้ายถึงพมชั้นสุดท้าว่าค่ะก็คือจากพุทธประวัติอะคะ่ะเขาบอกว่าก่อนที่พระพุทธองค์จะลงม า, าประสูหนึ่งแสนปีพมชั้นสุดท้าวาซึ่งเป็นพมอนาคาเพื่อนพระพุทธองค์ทรงมาแจ้งบนโลกก่อนทีนี้เนี่ยพมเป็นพระอนาคาไม่มีรูปแล้วอะคะ่ะพระอาจารย์ จะลงมาประกาศยังไงคะก็ไม่รู้เหมือนกันควรต้องไปถามพรมน้องไม่ได้เป็นพรมอย่าไปไรู้เลยเรื่องของนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของมรรคของฝนนะทาบแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพิ่มความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด